ร้อยลนะครับอ่าง่ายนะติดเ้ามาง่ายครับง่ายครับอ่าเนี่ยพอพอโพสไปได้ไม่ถึงนาทีคุณก็เข้ามาเลยพูดเลยวมาพอดีพอดีดูดูอยู่ดูไรอาจารย์บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บางใหญ่ครับตอนตอนอาจารย์ตอ น, ตอ น, ต, อนตอนนั้นที่ผมพาพี่สาวที่มาจากญี่ปุ่นไปอะครับา อ, อาจารย์มาจยครับ ไม่ใหญ่นี่ยเองอที่มีสวนใช่ไหมพี่สาวมาจากญี่ปุ่นก็เลยพาพาไปกราฟอาจารย์ครับไปกับแฟนคนหนึ่งครับแล้วตอนนั้นเรียนกับอาจารย์ว่าประมาณสามสี่ปีจะขอไปบุชกับอาจารย์ครับทาไกลนะครับพร้อมเลยเสียงหายไปอ่ะครับอาจารย์พร้อมาได้ยินไหมได้ยินครับ เสียงว่าจะเบาไปหน่อยมั้งอันนี้ชัดหรือยังเสียงมันมันหายไปเลยมันติดติดหายหายครับอาจจะเป็นเอ่อการเชื่อมต่อมันไม่ดีแต่เสียงของคุณชัดดีอ๋อครับครับตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอตอนเนื่องดีครับอินเทอร์เน็ตมันไม่แน่นอนอันนี้จังนะครับขึ้นๆลงลงบบ้านอยู่ที่หัวใหญ่นี่เหรอเสียงหายแล้วครับพระอาจารย์ บ้านอยู่ที่ห้วยใหญ่เลยบ้านอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีครับอ๋อบางใหญ่นนทบุรีที่ทํางานที่แบงค์ชาติอ่ะครับอ๋อทำในแบงค์ชาติรู้จักพวกพี่แดงเขาเปล่าพี่แดงเฉลิมชัยใช่ไหมใชอรู้จักเขาพี่แดงเขาไปอยู่วัดแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาเขาก็เสียญไปแล้วครับอาจารย์ได้ขาวไปอยู่กับพระอาจารย์จันจมียังไงเนี่ยอ๋อครับ ผมไม่ได้ติดตามข่าวพี่เขาว่าเลยไม่ได้ทราบรายละเอียดเกอมีกลุ่มแบงคชาติมาค่อยมาฟังธรรมเป็นประจำอยู่ทุกเดือนครับมีคำถามอะไรอยากจะถามไห ม, มเออ <c oughs> กระชันหนั <c oughs> นนะมีไหม <c oughs> เห็นภาพเราชัไหมหภาพเราแชทไหม ชัดครับแต่ว่าแสงแสงแสงพระเจ้าอาจจะพุดงไปนิดหนึ่งมันมันอาจจะอยู่ที่แสงสองที่หน้าเราด้วยอครับอันนี้ชัดกว่านหมอันนี้ชัดขึ้นไหมอ่อาอันนี้ชัดกว่าเพราะมันมีไฟอยู่ด้านหลังมนะันอาจจะทำให้โอครับนนชัดครับตอนนี้ชัดขึ้นแล้วนะครับอดีมีครอบครัวเปล่ามีมีภรรยาคนหนึ่งครับเนี่ยมีลูกไหม ไม่มีครับพระอาจารย์นี่ใครเข้ามาคนนะ <S <S <S ลวแฟนหรือเปล่า <Tommy. S 2> โทมี่อ๋อไม่ใช่คนอื่นเอ่อป็นยังงคุณ <S <S 1> <S 1> โทมี่ขอคุยกับคุณโทมี่หน่อยโอยกาบกาบพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงแปลกใจไหม <S <S อ่าตื่นเต้นผ่าไม่ไม่ไมว่าจะได้คุยกับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เอ่ากบพอดีตอนนี้มันมี โปรแกรมนี้ขึ้นมา messenger room สามารถติดต่อคนได้ห้าสิบคนอ่าวัสดีค่ะแบ่งเขาป้าจัง อ, อดเลยอดไปบนขาวเลยค่ะอ่าช่วงนี้เขาไม่ให้เข้าไปทางป่าไม้เขากลัวจะไปติดเชื้อกันก็ของใหญ่นานน่ยได้ข่าวว่าเขาต้องการปลอดภัยก่อนจะยินเสียงมัไหมอากาศได้หาย ค่ะตอนเดินเมษาตอนสงการจะได้ไปรภาวนาค่ะออก็ตอนสงการจะได้ไปภาวนาค่ะปรากฏว่าเขาง ด, งดกทันหันเลยอจองได้แล้วด้วยใช่ก็ตอนนี้เขาต้องการให้อยู่บ้านกันไงไม่ให้ออกมาพบปะคค่ะกะ<อ> ถ, ถ้าคนพบปะกันใกล้กันแล้วเดี๋ยวเอาแพเอาเชื้อโรคมาแพร่ให้ต่อกันแล้วกัน ในเมื อ, เองไทยเราเชื่มดีมีคนตายแค่ห้าสิบกว่าคนเท่านั้นเองอถ้าเราไม่มีอาจารย์ถามแล้วถามถาม่ย่งไรคไปสิไม่ได้ยินตอนนี้ขออนุญาตถามทาได้ <c oughs> ถามถา ม, ถามทำได้ไห ม, <c oughs> มเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะหนูหนูมีตัวรู้ที่รู้อัตโนมัติในร่างกายในในข้างในกายแล้วค่ะรู้เป็นสติแบบ เป็นของเป็นของมันเองเป็นมานานแล้วค่ะพระอาจารย์คะานูรู้ว่าตัวนี้จะทําให้ไปเกิดที่ไหนไปได้หรือไม่เกิดคิดว่าไม่เกิดก็ได้นะคะคือแต่หนูไม่แน่ใจว่าเรายังต้องพเอ่อต้องเจริญเอกสุภะกรรมฐ า, านไหมนะคะพระอาจารย์อ๋อตัวรู้นี่ตัวรู้นี่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เราเไปเกิดแล้วไม่ไปเกิดให้ตัวที่ทาให้เราไปเกิดก็ดคือความอยากตัณหา ถ้าเรายังมีความอยากเสพกามอยู่ยังมีการมราคะอยู่เราก็ต้องพิจารณาอาสุภบ่อยๆเพื่อหยุดการมราคะค่ะคือคือพออยู่ตั้งสติอยู่ตรงกายข้างในเนี้ยค่ะมันจะเป็นสม า, ามธิโดยอัตโนมัติทันทีเลยค่ะแล้วก็ตัดเจิตเข้าสู่ความว่างง่ายๆมากเลยค่ะมับแตม่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย สมาธินี้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาตายลักอนิจจในสิ่งที่ใจไปหยากได้เช่นลาบยศธรรมเสริมสุขต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ออกต็ต้อ ง, องตัดความอยากในสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดถึงจะไม่มาอกิได้า เ็นตัวรู้นี่เป็นเป็นเรื่องของสมาธิเวลาจิตสงบมีสติจิตสงบก็ตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาไอตัวคิดมันหยุดไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับตัวรู้ตัวรู้นี่มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือตัวกิเลสตัณหาความอยากในอยากเยอะแยะเาใจไปหมดต้องตัดมัน อยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินนันกินนี่อยากดื่มนั่นด่มนีนมันจะแยกของมันเองแล้วต้องตัดควอยาออกไปละไปเรื่อยๆใช่มันมีความอย่างที่ต้องตัดไปถือศีลแปดนี่ก็ช่วยช่วยตัดพอถือศีลแปดก็ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไม่ไม่ดูค่ะอ่าแค่นั้นกค่ะ คือคือโชคดีว่าเขาแยากของเขาเองโดยที่ทับไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ตตแต่ก็ยังรู้ว่าเรายัางแสดงว่าสติเราที่ามาว่ากิเลสยังมีอยู่อแต่ไม่มีปัญญาขาดปัญญาตอนนี้ต้องพยายามเจริญปัญญาพิจารณาอ น, นิจจังบ่อยๆทุกอย่างไม่เที่ยงบางเรื่องตัดง่ายบางเรื่องตัดยากค่ะพระอาจารย์ ก็มันยากเพราะเราชอบถ้าอันไหนถ้ามันเราไม่ชอบมันก็ตัดง่ายรแล้วต้องพยายามดูสิ่งที่เราไม่ชอบว่ามันมันอาจจะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้มันไม่เที่ยงหรือถ้าเป็นคนก็ต้องดูอสุภะมันจะได้หายชอบใช่ไห เห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกของเขามันก็จะทำให้ความอยากมานันลดน้อยถอยลงไปค่ะเบางทีไปหลงในเรื่องของของสัญญาความทรงจำคือคือมีบางเรื่องที่หนูละเลิกละเละิกชาได้ค่ะใช่เขาคนนี้เขาคนนี้ไม่ไม่สำคัญไม่ไม่ควรไปสนใจใมากเกินค่ะ เหมือนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องถืงมั้ยเราไม่ได้ติดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่มันก็มันมจะด้วยเจตนะคะไม่เราทำไมเอาทุกสองคนนะเดี๋ยวใครใค ร, ใครมีถ้า ย, ยังไม่ได้คุยกันช่วยปิดไมโครโฟนไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไปบรบกวนเสียงคนที่กำลังคุยพูดมีมีปุ่มบอกให้ให้ปิดไมโครโฟนไหมเวลาไม่พูดเสียงมันจะได้ไม่เข้ามา ให้แต่เฉพาะคนพูดกดไมโครโฟนพูดเอาใจนะเมื่อกี้คนเขาเข้ามาใหม่ก็คงง ง, งเข้าไม่รู้เหมือนหนูอนะค่ะตกใจแล้วไม่ไม่ยากหรอกถัดใช้ไปที่วันสองวันก็ชำนาญแล้วนี้อันดีติดต่อกับเพื่อนฝูงได้เนี่ยหนูอยากจะคุยกับเพื่อนพี่น้องสี่สิบห้าสิบคนนี่ส่งลิงก์ไปให้เขาแลนัดเวลาบอกของกัน ของเราที่ไม่ต้องนัดเพราะเรามีเพจมีเว็บมีเพจเราอยากจะคุยกับญาติโยมแล้วก็ไปโพสในเพจพอญาติโยมใครเห็นก็ลิงลิงเข้ามากดเข้ามาได้เลยค่ะนีกระสิทธวัญญาณทั้งสองคนดีใจจังเลยค่ะสาธุเข้าใจเรื่องเรื่องที่าเมื่อกี้อันเรื่องที่พยายาม พวกสมาธินี่มันอย่าไปติดมันอย่าไปหลงกับมันพวกราบเลือกชาติได้หรือเห็นอะไรอ่านจิตใจของคนอื่นได้ติดต่อกับเทวดาได้พวกนี้มันเป็นโลกิยะมันไม่ได้ทำให้กิเลสตายมันกลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมันชอบมันคิดว่ามันเก่งก็เลยมีอัตตาตัวตน แล้วก็เอาความสามารถนี้ไปอวดคนนู้นอวดคนนี้ไปสอนคนนู้นสอนคนนี้หรือบางคนก็ไปทําอาชีพหอดูอะไรอย่างนี้มันก็เลยติดอยู่กับการเรียนไหวตายเกิดไม่ไม่เก่งขนาดนั้นค่ะคระอาจารย์ใช่ไม่เป็นไรอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ไพูดเราให้งเผื่อคนหนึ่งต้าฟังอยู่ด้วยไม่ใช่เราคนเดียวคนที่เขาค่อนข้างใช่ค่ะเอาวิปัสสนาดีกว่า พอมี ส, ม, สมาธิแล้วทีนี้ไปทางวิปัสสนาพยายามมองอะไรให้เป็นไตายักไปให้หมดเนีย่ยเราสามคนนี่ก็ตายักเดี๋ยวก็แยกกันนะเนี่ยมาเรวมกันตอนนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปคนลทิศคนละทางแล้วหลังจากนั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาทําให้เราวุ่นวายเราก็ตั้งอยู่สติเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้วก็มาสอนใจทางปัญญาเนี่ยสอนค่ะ ของต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดตอนเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยววันดีเกินดีมันก็จากเราไปทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองงานเนี่ยตอนนี้คนตกงานเยอะแยะเลยใช่ไหมเดี๋ยวดีๆมันก็ไปละญาติพี่น้องพ่อแม่คนนั่นคนนี้ต้องจากกันไปหมดไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปตลอดให้นะคิดอย่างนี้แล้วจะได้ปล่อยวาง ไม่ลงไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอมันจากเราเราก็จะไม่ทุกข์อาจรย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะได้อยู่ต่อก็ได้นะยังไม่ต้องไปนั่งฟีงเรื่อยันนี้มีแค่สองคนคุณมีอะไรคำถามไหมคุณผู้ชาย คุณผู้หญิงปิดไมโครโฟนก่อนน ะ, ะมีคนใหม่เข้ามาอีกคนคุณผู้ชายพูดไปก่อนพระอาจารย์ครับเออที่พระอาจารย์เขียนหนังสือหรือบอกว่าตอนที่เหมือนกับสำเร็จทางด้านสมถะนะครับที่ว่ามีแบบร่างกายหายไปเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าร่างกายไม่ได้หายไปมันมันคือ มันคือลูก ป, ประชานทั้งคู่หรือว่าอีกอันนึงเป็นอัลูกประชานครับมันก็เป็นชานสีเป็นรูปประชานแล้วก็มันเป็นแบบเต็มร้อยกับแบบไม่เต็มร้อยเต็มร้อยก็คือจิตถอนออกจากขันห้าไปชั่ข่าวแยกออกไปเหลืออยู่แต่ทุกทุกรู้อยู่ตามาทางทอันนี้เต็มร้อย บ, บางทีมันสงบ แต่มันไม่มันไม่แยกออกจากขันห้ามันยังรับรู้เรื่องร่างกายรับรู้เรื่องความเจ็บของของร่างกายแต่มันไม่เดือดร้อนกับความเจ็บมันเฉยๆอันนั้นก็เป็นสองแบบแล้วแบบไม่เจ็บเราไปเลือกมันไม่ได้หรอกบางทีปฏิบัติไปมันเป็นของมันเองก็ค่อยห้เรารู้ว่ามันขอสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจเราเป็นอุเบกขาเฉยๆไม่เดือดร้อน ครับ่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรคทำใจะว่าอะไรก็ไม่ไม่เดือดร้อนเฉยๆแต่นั้นใจมันจะเฉยเป็นอุเบกขามันมีความสุขในตัวของมันเองครับเดี๋ยวลองคุยกับคนที่เข้ามาใหม่หนะครับคุณนัที่แจนเปิดเปิดไม่เปิดภาพเปิดจอเปิดกล้องดูจะได้เห็นหน้าเห็นตากัน แั้ไม่เข้ามาเขาของเขาเขียน Camera is off ออฟแมตตีอ๋อแลอ้วเขาเข้ามาได้ยังไง <c oughs> ให้เราลบออก เ, เขาเข้ามาแล้ว <c oughs> ลบออกไปก่อนนะอ้ดูวย่น๋อโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเอานางฟ้าจำแรงก่อนน้อ นางฟ้าจำแรงอเอาหน้าอันหน้าเข้ามาที่กล้องสึงจะได้เห็นหน้าเห็นตาจะได้พูดคุยกันไนดะ้โอเคอ๋อไม่นางฟ้าจำแรงคนนี้อยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมอันนี้ยังอยู่เจ <ใน S 1> ้า<น>ยังอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมอยู่เลยอ่ ะ, อะเล่นเนียนได้แล้วอยู่ในวัดอ่ะอะแอบเล่นแล้วเขาไม่แล้วเขาไม่อ้ามดูทำ ร, รา้าย อยู่ในกุฏเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าเมื่อ2วันก่อนน้องสาวเข้มาเนี่ยน้องสาวหรือพี่สาวเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้วไปเออเป็นยังไงพรุ่งนี้แก้วอยู่ที่วัดสงวนแก้วไป ป, ไปฏิบัติอยู่ที่นี่โห เป็ไงแปลกใจไหมอยู่ดีๆก็มีการ เ, าเปิดช่องให้เข้ามาได้ดีมากเลยจเจ้าค่ะอ่าพอดีเนี่ย a ฟ e บุ o k mm hmm. เขาเพิ่งเปิดอันนี้ออกมาบริการให้สามารถติดต่อกันได้ทีละห ล, ะหลายคนก็เลยเดี๋ยวนี้เห็นเห็นใจญาติโยมไม่ได้มาวัดกันไม่ได้คุยกับพระเมื่อเช้นี้ไปบิณบาตมีญาติโยม กับผูสายบาตกันเยอะยอะไรเขาบอกโอ้ยคิดถึงอาจารย์ไม่ได้ไปเลยอ่ะพระเจ้าคนสายบาตต้องประมาณสี่ร้อยคนอคู้ยเยอะนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาออกมาเลยเพราะเขาต้องเก็บตัวที่บา้านพอรู้ว่าทางวัดไดบินทบาทนะ้ทีนี้เขาก็เลยมากัน ด, ดีใจกันหนูก็ดีใจ นูก็ดีใมีเ่อมีอะไรจะถามไหมหนูให้อาจารย์ดูกดอ๋อกดอ๋นี่อยู่ข้างนอกอสวัสดีนี่วัดป่าดารามีกดแบบนี้เยอะไหมไม่เยอะค่ะหนูได้อยู่กดวี i อพีเลยโอเคหลวงพ่อให้หลงพ่อให้อยู่เส้นใหญ่เนะเส้นใหญ่เพราะว่าความดีที่หนูทำนั่นแหละค่ะท่านเห็นน่ะ ท, ท่านเห็นว่าหนูไปอยู่กับพระอาจารย์สุชาติอยู่กับหลวงปู่บุญมาเคยอยู่กับหลวงพ่อเปียร์ดหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็เลยอนุญาตให้หนูมาอยู่เป็นกรณีพิเศษดีต้องรักษาความดีไว้นะอย่าขี้เกียจ น, นะต้องขยันบวนาขยันเรืยทำงานทางวัดนะวัดเขาจ ะ, ะ, ะเห็นคุณค่าของเราแล้วเขาจะอยากให้เราอยู่ไปนา น, น, าน เจ้อ ย, อย่าไปมีเรื่องกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครนะแพ้เป็นแพ<ฆ>ชนะเป็นมารอาจารย์นะเอาชนะกิเลส อ, อย่าไปชนะคนอื่นชนะคนอื่นแล้วเป็นเรื่อง<ฆ>เขาก็กด<ฆ>เราเปลี่ยนเราเขาชนะเราเราก็กดเขาเปลี่ยนเขาแถ้าเราชนะกิเลสเราแล้วใจเราสบายนหนูหนูโดนหนูโดนแล้วตอนแรกหนูโดนไล่เลยแต่ว่าหลวงพ่อปกป้องแล้วหนูก็ คิดว่าหนูไม่เอาเรื่องไปถึงหลวงพ่อดีกว่าหนูทาตัวยอมแพ้หนูนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ที่สอนว่ายอมหยุดเยินนะค ะ, ะถูกต้องเอาลนะเนีเดี๋ยวปอยให้คนอื่นก็ได้คุยบ้างเนะมีคนนุกนูกตาหนูกต า, กาลาก่อนนะคะไปแล้วเหรอเดี๋ยวถูกจับไม่ถูกหรอกแต่บอกมาเที่ยวไม่ได้เนี่ยอยู่วัด จางกุญูมีตุ๊กแกหลายตัวเลยตุ๊กแกตัวใหญ่สายเมตาสายเมตาเราอยู่เป็นเพอยู่เป็นเพื่อนกันหนูไม่กลัวแล้วไม่เขไม่ทำอะไรเราหรอกโอเคเราอยู่ต่อได้เราอยู่ต่อได้ไหมให้เออกอยู่ได้อยู่เดี๋ยวฟังไปอยู่ได้ห้าสิบคนก็เปิดให้คนเข้ามาสิบคน หรือว่าได้ฟังเทศ ฟ, ฟังถามไปแล้วถ้าอยากจะถามคําถามใหม่ก็ถามได้แต่คนที่เข้ามาก่อนแล้วก็ตอนนี้ฟังไปก่อนนะให้คนที่เขาเข้ามาใหม่ได้พูดก่อนแล้วค่อยกลับไปหาเรา อ, อีกทีอคุณช้การ ไ, ได้ยินเสียงไหมเปิดถ้าอยากจะโชว์หน้าตาก็เปิดกล้องหน่อยอาจารย์คะ<า>เปิดกล้องไ<า>ด้ไหมมีกล้<า>องไหมเดี๋ยวพระอาจารย์แอรค่ะอาจารย์สาธุค่ะ ไ่กดที่ตัวกล้องเนี่ยบ่กให้มเปิดกล้องเปิดเปิดวิดีโอจะได้เห็นหน้าอันนี้ยังไม่ได้เปิดวิดีโอก็เลยไม่ไม่ได้เห็นหน้าเรามีอะไรหรือเปล่าพระอาจารย์คะไม่มีอะไรค่ะหนูเข้ามาดูพระอาจารย์ว่าพระอาจาจเทศจะให้ธรรมะอะไรค่ะก็เ น, นี่ยธรรมะแบบสดๆล้านๆเนี่ยเห็นไหมมีอะไรก็พูดไป ใครอยากจะถามอะไรก็ถามอันนี้เป็นแบบคุยกันเหมือนเวลาเจอกันที่ศาลางนี้แล้วก็นั่งคุยกันใครอยากจะถามอะไรก็ถามใครอยากจะฟังก็ฟังได้ทั้งนั้นอย่นถ้ายังไม่มีอะไรถามเดี๋ยวจะลองให้คนอื่นเดี๋ยวนี้เข้ามาทั้งหมดหกคนแล้วเนี่ยคุณลิมฟ้าริมฟ้าได้ยินเสียงไหมริมฟ้าได้ยินเจ้าค่ะเ อ, อ เปิกล้องหน่อยได้ไหมจะได้เห็นหน้าเห็นตาหรือออกคนนี้ <c oughs> คนนี้ใครยังไม่สะดวกค่ะสายทิพย์เน อ, อะชื่อสายทิพย์ค่ะโอเคอยู่ที่ไหนจ้านูเป็นอาจารย์อยู่ที่สารคามค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่ครนแกนค่ะคอนแกนเนออาจารย์ทําไหนวิชาอะไรเป็นเภสัชกรค่ะอสอนที่มาหาอะไรเนอะที่มหาลัยมหาสารคามค่ะเออเป็นไงตอนนี้ ที่มาอะไรก็ต้องสอนทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้สอนอยอนไลน์หนูสอนอยู่ที่ขอนแก่นค่ะกลับมายู่บ้านที่ขอนแก่นสอนแบบนี้แล้วเป่าใช้ใช้ใช้สูมบ้างใช้ google Meet บ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าคล้ายคล้ายแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ของของนี้ของฟรีใช้ได้ไม่มี ก, ำ <c oughs> กำจำกัดเวลาห้าสิบคน <c oughs> ของสูนี่เขา ถ้าถ้าไม่จ่ายเงินนี้ก็ให้ติดต่อได้ประมาณสี่สิบนาทีสองประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็จะหลุดไปแล้วก็เข้าใหม่ค่ะได้ดีอะไรอยากจะถามไหมอ่าได้ น, นูเห็นพอดีค่ะก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรค่ะแปลกใจไหมว่าอยู่ดีๆก็มีโผล่ขึ้นมาค่ะแปลกใจค่ ะ, ะก็เลยคิดว่าเอ๊ยสงสัยจะคนเข้าเยอะเดี๋ยวสมัครเข้ามาดูก่อนอตอนนี้ก็ยังไม่เยอ ะ, ยอะมีะเจ็ดคนด้วยกัน ใครมีคำถามบ้างไหมครับคุณผชายครับอาจารย์คือที่ที่หลบตาท่านเขียนว่าตอนที่หลบตาท่านบรรลุสมถาภาวนาเราบอกว่าท่านเห็นแสงสว่างแล้วก็เออเป็นตัวรู้อยู่อย่างเดียวซึ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็บอกว่าหลวปู่ม่ท่านก็บอกว่า แหละก็เหมือนกันแล้วท่านบอกว่าเห็นครั้งเดียวไม่หมายถึงว่าทําได้ครั้งเดียวมันมันเป็นยังไงครับไม่หมายถึงว่าทุกคนต้องผ่านจุดนั้นไหมครับอาจารย์มันก็การปฏิบัตินี่มันไม่มีอะไรตายตัวแต่ละคนที่มีผลประโยชน์ก็ผลการอาจจะไม่เหมือนกันใครเปิดไมโครโฟนตอนนี่ช่วยปิดไปก่อนนะคนที่เพิ่งเข้ามา พอเสียงมันรบกวนเดี๋ยวถึงเวลาพูดแล้วค่อยเปิดไหม่ก่อเราะฉะนั้นแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนั้นไม่ต้องไปกังวลปฏิบัติไปมันจะเป็นอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงของมันของเราเป็นแบบนี้ของเขาเป็นแบบนั้นสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติสมาธิก็คือให้จิตสงบมีความสุขเป็นอุเบกขาจะเห็นไม่เห็นจะมีอะไรให้เห็นจะลึกตลกชาติได้หรือไม่จะ ไปคุยกระเทวดาได้หรือไม่อะไรทนานองนี้ไม่เป็นเรื่องสําคัญอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจเราจะหลงเราจะหลงทางเพราะมันจะไม่อยู่ในสมาธิมันจะไปเที่ยวเขาเรียกวจิตผ่าน ผ, าผลน้องตาบอกพวกจิตผ่านผลเนี่ยชอบไปเที่ยวไม่ยอมอยู่ในความสงบอย่างเช่นแม่ชีแก้วเนี่ยลู้สึกน้องตาลู้สึน้องหมู่มันเนี่ย เธอก็เป็นจิตผาดโผนเวลาจิตสงบแล้วแกมักจะไปเที่ยวในโลกทิพย์ไปเจอวิดวงวิญญาชนิดต่างๆหลวงปู่หลวงตามาบอกคอยเตือนคอยห้ามบอกอย่าไปไปแล้วเสียเวลาเป็นแล้วมันจะติดมันจะหลงเหมือนไปเที่ยวข้างนอกให้ทําจิตให้สงบนิ่งอย่าให้มันออกไปเพื่อจะได้มีอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิจะได้ใช้อุเบกขานี้มา พิจารณาทางปัญญาต่อไปเพราะถ้าจิตไม่มีอวเบกขามันจะไม่ชอบพิจารณาของจิตเช่นความตายมันจะไม่อยากพิจารณาอสุภะมันไม่อยากจะพิจารณาแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วบังคับมันพิจารณามันก็จะพิจารณาเมื่อพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเข้าใจมันก็จะจําได้แล้วมันก็สามารถเอามาใช้เวลาเกิดกิเลสเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็เอาอสุภะเข้ามาใส่มัน เวลาเกิดความกลัวตายก็เอาเอาความจริงมาใส่ในร่างกายก็อันนี้จังไม่เที่ยมเป็นต้นอันนี้คือการปฏิบัติต้องพยายามรักษาแนวสมาธิโด<ม>ยให้อยู่ในอัปปนาอยู่ในความสงบอย่าไปอุปจาระอุปจาระนี่ไปเที่ยว<ม>แล้วก็เวลาออกจากสมาธิมาก็หมัดสอนใจ ให้พิจารณาใจรักไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงไปยึดไปติดแล้วจะทุกข์เพราะมันจะจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้าชอบอะไรก็ต้องมองส่วนที่ไม่น่าดูชอบคนก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายชอบอาหารก็ต้องดูตอนที่มันไม่น่ากินเช่นตอนที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอาเจียนออกมาหรือตอนที่ถ่ายออกมาอาหารทั้งนั้น ถ้ามันนึกถึงภาพเหล่านี้แล้วมันก็จะทําให้ไม่หิวกินไม่หลบกินได้แต่เฉพาะเวลาที่ควรจะกินเวลาที่ไม่ควรจะกินพอมันอยากจะกินก็เอาปฏิกูลนึกถึงปฏิกูลของอาหารขึ้นมาแล้วมันก็จะหยุดความหิวได้หยุดความอยากได้รักษาสิแปลกได้ไม่กินข้าวเย็นได้ครับอเ พระอาจารย์อยู่อยู่ข้างล่างเลยครับพระอาจารย์แต่ตอนน้ไม่ได้ยู่ข้างล่งข้งบนอยู่ไม่ได้ข <c oughs> ับรถกลับอยู่ไปก็ไม่มีใครขึ้นไปหาต้องมาแสดงธรรมข้างล่างทุกสี่วันอย่างนี้จะมาแสดงธรรมทุกสี่วันตลอ <c oughs> ับางก็จะเพิ่งแสดงไปเมื่อวานนี้วันที่26ครั้งต่อไปก็20 10ครับ20 24ไปไม่ได้ทุกสี่วัน ตรนี้เอก็เอาอย่างนี้ไปก่อนปรับไปปรัไปเข้ากับเหตุการณ์กับการเวลาครับ <c oughs> ไม่มีอาสได้คุยกับญาติโยมก็เลยเอาวันนี้แหละเป็นเปิดโอกาสได้คุยกันบ้างครับ<อ>มีใครอยากจะคุยบ้างคุณแฮรอยากจะคุยหรึเปล่าหรืออยากจะฟัง เ, เฉยอยากจะฟังค่พะพอาจารย์สาวพระอาจารย์คะาจากขอโอกาสสอบถามเรื่องการภาวนาในชีวิตประจําวันค่ะออย่าง อย่างโยมทํางานแบบนี้ค่ะว่าจะภาวนาแบบไหนถึงจะถึงจะเหมาะสมแล้วก็พัฒนาตัวเองไปขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็มันก็การปฏิบัติมันมีอยู่สองขั้นตอนเวลาที่เราไม่มีเวลาว่างเราต้องทํางานทําการทําอะไรแล้วก็ใช้สติสร้างสติยพยายามควบคุมจิตให้อยู่กับงานอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น คอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทำอะไรกําลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กับการเขียนหนังสือกําลังสอนกําลังพูดก็ให้อยู่กับการสอนการพูดกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารคือพยายามเดี๋จิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้จิตออกไปอดีตไปอนาคตอันนี้เป็นการฝึกสติควบคุมความคิดก่อ แล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็หาหมุมสงบที่ไหนถ้าอยู่ที่ทำงานมีห้องที่เราอยู่คนเดียวได้ช่วงที่เราว่างนี่เก็แทนที่จะไปดูหนังสือพิมพ์ดูอะไรก็มาดูลมหายใจเข้าออกดีกว่านั่งหลับตาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ดูหลับตาแล้วก็มีสติดูลมหายใจเข้าออกไป หรือถ้ายังดูไม่ได้มันยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็สวดอิติปปิโสไปก่อนนะเพื่อให้สู้กับความคิดแล้วพอความคิดมันไม่มันไม่คิดแล้วทีนี้เราก็ลองมาดูลมหายใจต่อตัวแบบนี้ไปสลับกันไปช่วงเวลาทำงานก็ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันช่วงเวลาไม่มีงานต้องทำก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไปถ้าดูไม่ได้ก็ สวดมองไปหรือพุโทโธไปนะเข้าใจไหมนะตอนนี้มีผู้เข้ามามาชื่อเก่งให้เก่งนี่ลูกศิษย์ในชะ่ไฉันไม่เก่งจำไม่ได้เราไม่ได้เจอกันตั้งนานครับกล่าวมาสักการครับพระอาจารย์ครับคุณแม่มาวัดทุกวันเนี่ยคุณแม่มาวัดทุกเช้าเลยใช่ครับ ค, คุณแม่เก่งก็่าลูกอีกเมื่อก่อน <c oughs> คุณแม่ไม่เคยเข้าวัดเลยเพรลูกบ่วยก็เลยต้องมาดูแลลูก พอลูกสึกไปแม่ก็ไม่กลับแม่ก็ยังมาต่อทุกวันแม่ดีนะเก่งมากเลยไม่เคยเห็นใครที่อมับหลายปีแล้วนะตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่ปีห้าสี่ครับห้าสี่หกปีนะทุกวันมาทำบุญน้อมมาช่วยล้างถ้วยล้างชามาทำอะไรงานในวัดมีความสุขแข็งแกรงทุกวันแกยิ้มแย้มจ่มใสใช่ครับการทำบุญจะเป็นวิธีสร้างความสุข ดีกาการไปเที่ยวเที่ยวมันดีตอนที่มีเงินเที่ยวพอไม่มีเงินเที่ยวนี่มันทุกข์นะแล้วมีเงินแต่ออกไปไม่ได้ตอนเนี้ใช่ไหมทุกข์ไว้คนที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยมีเงินแต่ <c oughs> ก็ไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าคนทําบุญนี่เขาไปวัดได้เขาไปวัดไปทําบุญก็ถ้าอยู่บ้านเขาก็ทําอะไรของเขาไปตามลำพังได้เขาก็มีความสุข ด, ด้เป็นยังไงสบายดีนะ สบายดีครับอาจารย์ครับเปไงแปลกใจไว้ที่อยู่ดีๆก็มีโพสต์ให้เข้ามาใช่ครับตกใจก็ตอนแรกนึกว่าเป็นถ่ายทอดสดธรรมดาครับปรากฏเข้ามาอ้าวได้ได้สนทนาด้วยเลยตกใจมากเลยครับก็ถ่ายทอดสดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้อยากจะแบบแบคบคุยกันสบายๆเพราถ่ายทอดสดเราต้องพูดคนเดียวมันมันยาวมันใช่อย่างนี้ยังมีโอกาสนนได้พักได้คุยได้ถามอะไรกันบ้าง ลูกสิษย์ก็ชื่นหัวใจครับฟังอย่างนี้ยังทํางานอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆครับแต่ช่วงนี้อยู่ผ่านมาเดือนที่สี่แล้วครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครับเขาให้ให้อยู่ที่บ้านไม่ไม่ให้ออกไม่ให้ออกไปทํางานไปทํางานที่ก็มองไม่ได้ใช่ครับแต่หยุดทํางานที่บ้านอย่างเดียวใช่ใช้อินเทอร์เน็ตนี้ติดต่ออินเทอร์เน็ตใช่ครับ ดีโชคดีสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตเลยทําให้การงานไม่ชะลักใช่ครับชะลักแต่งงานเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับงานเทีทเท่ยวแต่งานสำคัญ<ช>งานจําเป็นนี่ยังสามารถทนนํากันได้ก็ดีก็ดีใจมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีเลยครับได้ดู <S <S พระจารย์เรื่อยๆเลยครับโอเ ค, อเคก็ดูไปฟังไปนะครับเดี๋ยวโดยแค่หนึ่งเนี้ยมาเข้ามานานแล้วไม่เห็นพูดคุณยินฟ้าเลย อยู่เย็นอ ย, อยู่เย็ น, ยนกลับนามาสการเจ้าค่ะอะเปิดเปิดกล้องหน่อยจะได้เห็นหน้าเห็นตาอยู่แต่งตัวไม่ค่อยนั่นนะเจ้าค่ะโอเคงี้ก็ไม่เป็นไรมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีนะเจ้าค่ะเข้ามาฟังเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบุรีเจ้าค่ะเพชบุรีน ะ, ะ, ต, ต, ะ ต, ติดตามเพจติดตามเพจนี้มานานหรือยัง ซึ่งมาติดตามมาค่ะเซึ่ ง, งมาสนใจธรรมะเมื่อเร็วๆนี้เองเลยเจ้าค่ะอะไรทำให้สนใจนะรู้สึกว่ามันเบื่อสังคมปัจจุบันนี้ลรอมั้งเจ้าค่ะก็ เ, ออเลยหันมาศึกษาธรรมะเจ้าค่ะออถึกศึกษาได้นานแล้วยังประมาณปีกว่าๆเองอะเจ้าค่ะศึกษาทางไหน นะหนัสอองสศึกษา<อ>ทางอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตใช่ไ่มเจ้าค่ะอฟังฟังผ้าจาย์ว่างหลายๆครูบาอาจารย์เลยเจ้าค่ะอะแล้วเป็นยังไงบ้างไหมก็ยังไม่ได้เคยลองปฏิบัติอะไรจริงๆจังๆเลยเจ้าค่ะมันไม่ต้องจริงจังหรอกเพียงแต่อยู่ตอนนี้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลองหายใจก็ปฏิบัติได้แนละ้วไม่ย<ข>ากค่ะตอนนี้ก็ สวดมนต์อยู่อะเจ้าค่ะเพราะว่านั่งสมาธิเอ้วมันฟุ้งซ่านมากค่ะเจ้าค่ะอถ้าฟุ้งยังดูดมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสก็ได้สวดพระสูตรอันไหนก็ได้ที่เราจําได้ยิ่งถ้าสวดแบบนั่งหลับตาได้ยิ่งดีอมันจะได้ไม่จิตมันจะได้เข้าข้างในได้ง่ายกว่าไม่นอะนอกจากว่าถ้าเราจําบทสวดมันไม่ได้ต้องเปิดหนังสือดูก็ไปอีกอย่างห่งแต่ถ้าเราอยากจะสวดแบบนั่งสมาธิเราก็สวด วทที่เราจำได้ก็ได้อย่างเช่นอิติปิโสนี่มันสั้นๆแต่เราสามารถสวดได้หลายๆจบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหายฟุ้งซ่านแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีไหมมีอะไรอยากจะถามอีกไหมพระอาจารย์มีคำถามหนึ่งค่ะอ่ะา อาจารย์ an, บอกว่าถ้าด so um, ูลมก็ดูลมถ้าพุทโธก็พุทโธแต่ว่าเวลาที่พยายามที่จะเกาะสักอย่างหนึ่งค่ะมันมันจะทำสองอย่างพร้อมกันนะคะพระอาจารย์ก็หมายถึงพุทโธด้วยด so ูลมด้วยนก็ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างได้พุทเข้าโทออกไปก็ได้ถ้าเราถนัดแบบนี้ก็ใช้ได้แต่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วกันอย่าให้ไปคิดเรื่องอดีตเรื่องมนาคนเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ แต่ถ้าเราอยู่พุทเข้าโทออกนี้ก็ได้ถ้าเราเราถนัดแบบนี้เราก็เอาแบบนี้ไปบางคนก็เอาพุทโทรอย่างเดียวก็ได้บางคนเอาลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ไม่มีอะไรตายตัวคือถ้าลองลองทําแค่ลมหายใจอย่างเดียวมันไม่อยู่มันไม่นิ่งอะคะ่ะพระอาจารย์แบบใช้พุทโทช่วยก็ได้ได้บางคนก็ใช้น้ำหนึ่งสองสามก็มีบางคน หายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับสองพอถึงสิบก็นับถอยหลังกลับสิบแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็แปดเพื่อบังคับให้มันมีสติมากขึ้นเวลาต้องนับนับไปข้างหน้าแล้วนับไปถอยหลังนี่ยมันจะต้องใจต้องมีความแนวแน้แน่มันถึงจะไม่เผลอไม่ลืมได้วิธีไหนก็ได้สาธุครับไปอยากจะถามอีก พระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะถ้าหนูพิจารณาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วก็พอหมดกําลังเราก็นั่งสมาธิต่อได้สําหรับกันปัญญานี่มันทําไปสักพักก็เหมือนคนทํางานทํางานแล้วเหนื่อยก็ต้องพักกินข้าวพักผ่อนหลับนอนสมาธินีเป็นที่พักผ่อนหลับน้นของจิตส่วนปัญญานี่เป็นที่ทํางานของจิตอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันจะไม่ก้าวหน้า ถ้าทำแต่สมาธิอย่างเดียวก็เรียกว่าติดสมาธิถ้าทำปัญญาอย่างเดียวก็จิตพุ้งซ่าจิตติดสังขารคิดแล้วคิดไม่หยุดไม่หย่อนคิดเจริญมาทั้งบางทีไม่หลับไม่นอนหลวงตาท่านเคยเล่าช่วงท่านที่ทำความเพียรท่านเคยพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่หลับต้องสามวันไปเล่าให้หลวงปู่ม่นฟังหลวงปูม่ม่นบอกกำลังบ้าสังขารกำลงไปติดกับความคิดปูด๊แต่ ถ้าบอกว่าต้องพักต้องเอาจิตเข้ากลับเข้าสมาธิให้จิตเย็นให้จิตสบายแล้วค่อยออกมาพิจารณาทางปัญญาพอมันเริ่มร้อนมันเริ่มฟุ้งมันก็หยุดแล้วกลับไปเข้าสมาธิใหม่สลับกันเพราะว่าเราว่างวันเวลาทํางานนะคะเวลามันแยกมันเย็นสบายไม่อยากจะคิดเลยค่ะงอนแม้แต่งานการก็ยังอยากจะทํามันนิดเดียวเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แก่นสารแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ทำพออยู่พอกินไปก่อนทำทาไปเลี้ยงชีพไปวันๆนะคะแล้วก็คิดว่าจะเล่งจะเล่ ง, งบบจะมีปีกานะมาก็าบินระบาดไปวันๆเช้าก็ออกบินระบาดช่วโมงก็เสร็จนะทำมากินแบบ<อ>ว่าเอาเวลาเอาเวลา เพราะว่าหนูกําลังเร่งทาปัจจุบันงานนะคงานทางโลกค่ะเพื่อว่าอนาคตเผื่อไม่ต้องทํางานแล้วอะค่ะจะได้มาทําทางด้านทางธรรมร้อยเป็นมีมลูกศิษย์ของเราหลายคนเนี่ยเขาก็ทํางานเก็บเงินเก็บทองค่ะแล้วก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้สําหรับเป็นที่ปฏิบัติเพราะบางทีมันหาที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ซื้อที่สักสักห้าสิบตารางวาปลูกบ้านแบบเป็นเหมือนกุฏิเนี้แล้วก็ มีหมอคนหนึ่งเขาตอนนี้เขาก็บูกบ้านเสร็จเขาลาออกจากงานนะเขาก็ตอนนี้อยู่บ้านปฏิบัติธรรมเอามาอาทิตย์ละครั้งออกมาซื้อกับข้องกับข้าวอะไรไปนอกนั้นก็อยู่ในบ้านเหมือนกับอยู่วัดใ<ฮ>ช่ช่วงนี้คงค่ะบางทีวัดเดี๋ยวนี้ไม่เป็นวัดปฏิบัติเยอะไอ้วัดแล้วก็ไปเป็นวัดทํางานเป็นวัดทำนู่นทํานี่เยอะแยะไปหมด ไม่ได้พอนี <Okay. S 1> ก็บางทีหาผู้หญิงหาวัดปฏิบัติยากก็ต้องหาต้องทําเองต้องสร้างบ้านของตันเองให้ขึ้นมาเป็นวัด <Okay. S 1> เพราะว่าวัดที่แท้จริงหมายถึงาที่สงบที่วิเวก <Okay. S 1> ไม่ พ, พลุบพานไม่วุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ <Okay. S 1> ถ้าเราอยู่บ้านก็หลายคนแต่เรามีห้องของเราเราก็เข้เข้าไปในห้องแล้วติดป้ายไว้ข้างหน้าว่าที่นี่เป็นวัดห้ามรบกวน มีห้องพระตั้งแต่ตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะห้าหปีได้แล้ววัดมีห้องพระแต่สี่นิสสังกายที่ ค, ท ค, คือเราต้องบังคับตัวเราเองเพราะตึกนท<ช>ี่เหลนมันไม่ยอมให้เราเข้าวัดกันไม่ยอมให้เราปีกวเว่ย์กันที่เหลนมันชอบดึงให้เราไปตามศูนย์การค้าดึงให้เราไปตามโรงภาพยนตร์ตามร้านอาหารตามร้านขนมอะไรต่างๆเราต้องพยายามฝืนจิตดึงจิต บังคับจิตให้ไปอยู่คนเดียวใหม่ๆ ม, มันจะเศร้าวเวลาไปอยู่คนเดียวมันจะหนามันจะมีความรู้สึกปวดขู่ใจแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่โอดโอยคนที่มีความสงบแล้วอยู่คนเดียวชอบ ม, มีความสุขแป๊บเดียวเองค่ะทั้งวันเลยแป๊บเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงทุงนี้อาจจะมีอิชูอื่นพวกเศรษฐกิจเบิร์กฟอร์มโฮคเขาจะจ้างคนออกอะไรเงี้ยอาะเพรา จ, าจัอาจจะเป็นช่วงวุ่นวายก็ก็องยิบใช้ใจรักใช้ใจรักมาสอนเนี่ยมันไม่เที่ยมเราเราต้องไม่ประมาทเราอย่าไปพึ่งอะไรมากจนเกินไปเราต้องพยายามคิดถึงทางเลือกองานตกงานจะทำอะไรต่อต้องมีทางเลือกทาง ทางรับรองเหตุการณ์<ะ>ถ้าไปบวชได้ก็ไม่มีปัญหาส่งางานก็ดีจะได้บวชเราเนี่ยต้องลาออกจากงานต้องตกงานก่อ น, นจะบวชไดวว้วางแผนไว้ร่วมหน้าแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอดีตอนนี้หนูยังติดเลี้ยงลูกลูกชายอยู่ค่ะอะก็ดูแลไปไหะที่ยังต้องทำํำ<ะ>ก็ทําไป<ะ>ถ้ามีใครดูแลแทนได้ก็ฝากเข้าไปพระพุทตจ้างฝากผ้าลาผมไว้ แต่เตรียมข้อแก้ไวล่วงหน้าค่ะต้องค<ห>ิด ต, ต้องวางแผนกานจะปฏิบัติให้มันก้าวหน้ามันต้องมีขั้นต่อต้องรู้ว่าตอนนี้ทําอะไรขั้นต่อไปทําอะไรอ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับทํางานเนี่ยบริษัทก็มีวางแผนปีนี้จะทําอะไรบ้างอย่างไรมันก็ต้องมีวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางของเราทางจิตใจเราจะต้องแยกตัวเราออกไปให้ได้จากสังคม แยกตัวเราเพื่อไปเข้าสู่ทางธรรมได้ทําายได้ก็ทาไปเตรียมะายได้ก็เตรียมไปถ้ายังไปไม่ได้ก็ปฏิบัติไปทางๆางกับงานที่เราต้องทําไปก่อนเพราะสาคัญอยากทิ้งการปฏิบัติตปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็ยังดีก็าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ศึกษาทาทางเทศทางธรรมอยู่เรื่อ ย, อยจะทำให้เร า, เาไม่ท้อแท้ ได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ได้อยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้ศรัทธาเราเหนียวแน่นทําให้เรามีความยินดีในธรรมอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราหางเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปกิเลสมันมห ล, ลับเราเวลาฟังธรรมนี้่ธรรมาออกมากิเลสมันวิ่งหนีหมดเลยเอาจารย์นะเปิดไว้หลอดเรื่งจิตใจค่ะโอเค ตอนนี้ก็เปิดมาประมาณเกือบห้าสิบนาทีแล้วนี่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนถ้าอยากจะถามคำถามอะไรให้ถามได้กว่าหนึ่งคำถามถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้ลากันมีใครอยากจะถามไหมให้หนึ่งคำถามอ่ะไม่มีนะนก็เอาแค่นี้ก่อนนะดีใจที่ได้มาพบปะ ก, กันแบบ แบบสดๆนั่นๆก็ขอให้ยองนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอสาธิตสาธุสาธุ